สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิบิบาลนะครับในวันนี้เราอยู่ในชุตพระเยซู ต, ตอนที่ห้าร้อยหกสิบหกก็ยังอยู่ในบทพิสูจน์เรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อย่างกิงแท้แน่นอนเพื่นอนครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงรายละเอียดต่อไปหลายท่านก็อาจจะมีคําถามว่าทําไมต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ในการเล่า สิ่งต่างๆเหล่านี้มานานหลายวันแล้วนะครับพี่น้องบางท่านอาจจะเริ่มเบื่อนะครับแต่ผมอยากจะหนุนใจว่าหากว่าพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นือความตายจริงๆนะครับความเชื่อต่างๆของเรานั้นก็ไร้ผลและการสิ้นประชนไถ่บาปเราก็ไร้ผลด้วยเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับเมื่อเวลาเราไปประกาศพระกิติคุณไม่ว่าจะเป็นการส่วนตัวก็ดีประกาศตามสายสัมพันธ์ก็ดีประกาศกับคนที่เราไม่รู้จักก็ดี แน่นอนครับย่อมต้องมีคําถามว่าพระเยซู PS เป็นขึ้นเในความตายนั้นกุ Anyways, เรื่องขึ้นมาหรือเปล่าเป็นเรื่องจริงจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องเ ท, ท็จหรือเป็นตำนานเป็นนิยายเพื่อที่จะสร้างนะความวิเศษให้กับพระเยซูนะครับผมตอบพี่น้องได้เลยครับว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องเ ท, ท็จเป็นเรื่องจริงแน่นอนเราเห็นว่าพระเยซู PS ทรงปรากฏกายหลายครั้งครับหลังจากการเป็นขึน้นในความตายโดยปรากฏพระองค์ ในเวลาที่แน่นอนชัดเจนและพบปากกับบุคคลต่างๆซึ่งมีการอ้างอิงอยู่ในความผีโดยพะ อ, อย่างยิ่งณสถานที่ที่แน่นอนด้วยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเยอเซลมนะครับอยู่ที่บริเวณอุโมงนะครับหรือแม้กระทั่งชายฝั่งทะเลแกลลิลีพี่น้องครับการเป็นขึ้นเหนยอความตายนั้นเป็นรากฐานของคริสเตียนนะครับอัครทูต ได้ให้ความสําคัญและแตระหนักถึงความสําคัญนี้เป็นอย่างมากเราจะเห็นได้จากการที่อักขระทูนั้นได้เน้นครับในคําพยานของเขาในทุกๆจดหมายฝากในทุกๆคําเทศนาที่ปรากฏอยู่ในทํากิจการนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างกิจการบทที่หนึ่งข้อยี่สิบสองนะครับอักขระทูตคือผู้ที่รับการสาปนาให้เป็นพยานถึงการเป็นขึ้นเหนือความตายนะครับและในกิจการบทที่สิบเจ็ดก็พูดถึงเรื่อง อชาวเอเธนครับเขาคิดว่าเนื้อหาสาระของกิตเซียนคือเรื่องพระเยซูนะครับและการเป็นขึ้นจากความตายนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทําให้พกิติคุณก็แพร่ไปที่กรุงเอเธนนะครับและในตอนต้นของกิจการก็กล่าวซ้ําหลายครั้งทีเดียวครับว่าพระเยซูนั้นเป็นขึ้นจากความตายแล้วและข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพยานในข้อนี้นั่นหมายความว่าพวกอากรทูุนะครับ ยินดีที่จะ ย, ยอมตายเพื่อความจริงนี้เพื่อยืนหยัดนะครับและปกป้องความจริงนี้ความจริงในบดสานั้นมีว่าการเป็นขึ้นอยู่ความตายนั้นทําให้ผู้คนเชื่อว่าพระเยซูทรงอยู่เหนือมนุษย์นะทรงเป็นยิ่งกว่ามนุษย์แน่นอนครับพระเยซูก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนน์ความเป็นมนุษย์นะครับของพระเยซูนั้นสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนตและความเป็นพระเจ้าก็อยู่ในตัวของพระเยซูสมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซนตเช่นเดียวกัน แต่หลังจากที่พระเยซูเป็นมีความตายนะครับทำให้เราเห็นว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระเจ้าสมบูรณ์แบบครับอยู่เหนือมนุษย์แน่นอนครับและพระเยซูทรงเป็นผลแรกของการเป็นขึ้นเหมือนกความตายแล้วไม่ตายอีกเพีาะนั้นครับอนาคตเราก็จะเป็นเช่นเดียวกันก็คือเราก็จะเป็นข้นมีความตายเหมือนอย่างที่พระเยซูเป็นขึ้นมความตายแล้วเราจะไม่ตายอีกครับเพราะฉะนั้นนี่คือ ไม่ใช่พระเยซูที่สอนอย่างเดียวนะครับแต่เป็นพระเยซูที่ช่วยด้วยและช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามหรือใครก็ตามที่ปฏิเสธการเป็นขึ้นเหนความตายก็เท่ากับผู้นั้นปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระเยซูครับและปฏิเสธการที่พระเยซูทรงตายไถ่าบาปมนุษย์ตามพระประสงค์ของพระเจ้านั่นหมายความว่าเขาปฏิเสธพระเจ้าไปด้วยในตัว พี่น้องครับเอกสารต่างๆนะครับของพระกัมภีใหม่ก็ดีหรือเอกสารนะครับที่อยู่นอกพระกัมภีใหม่ก็ดีหมายความว่านอกสาระบบพระกัมภีก็ดีนะครับนักวิชาการได้ไปค้นคว้าเขาต่างยอมรับว่าหลักฐานนะครับของเอกสารต่างๆเหล่านี้นสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ในขณะในขนาดที่ต้องยอมรับว่าพระเยซูเป็นขึ้นเหนืความตายเลยครับเพราะอะไร <andro? S 2> ครับเพราะว่าหนังสือเอกสารต่างๆที่เล่านะครับ สอดคล้องกันนะฮพี่น้องครับลองถามตัวเองครับว่าถ้าหากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยี่สิบปีที่แล้วนะครับมีการบันทึกผิดพลาดเนี่ยแล้วเราอยู่ในเหตุการณ์นะครับหลายหคนอยู่ในเหตุการณ์มีพยานมากหน้าหลายตาถามว่าคนเหล่านี้จะอยู่เฉยไหมครับถ้าหากว่ามีความผิดพลาดหรือมีการแต่งนะครับเติมหรือการสร้างนิทานขึ้นมาแน่นอนครับไม่มีทางที่จะใครจะยอมให้เกิดการบันทึกเหล่านั้นเช่นเดียวกันครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณ 30-40 ปีนะครับหลังจากที่เบียสูคนทั้งหลายนะครับสามารถจดจําเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างแม่นยําครับและหนังสือหรือจดหมายฝากหรือแม้กระทั่งภกิติคุณนะครับที่ส่งกันไปส่งกันมานะครับระหว่างคิดจักรแห่งหนึ่งคัดลอกไปสู่คริดจักรแห่งหนึ่งแน่นอนครับถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับคนในสมัยนั้นหรือแม้กระทั่งอัครทูตเองจะต้องออกมานะครับและก็ต่อต่อสู้ เพื่อความถูกต้องเพื่อความจริงพี่น้องครับนี่คือเป็นเหตุผลอีกหลักหนึ่งนะครับที่ว่าทําไมเราจะต้องเชื่อพระคัมภีร์นะครับเพราะพระคัมภีร์เนี่ยถูกส่งต่อกันมาครับนะครับไม่ได้ถูกคัดแยกนะครับแต่ถูกส่งต่อกันมานะฮพระคัมภีร์ถูกส่งต่อกันมาเพราะฉะนั้นขึ้นจักรทั้งหลายที่ส่งต่อพระคัมภีร์มาแน่นอนครับมีอาฆาทูตอยู่ในขึ้นจักรกลางเหล่านั้นอาคาทูตนั้นก็เป็นผู้ที่ กานกรองครับหนังสือบางเล่มนะครับหรือเพื่อพีบางเล่มอัครทูตเป็นคนเขียนเองเพราะฉะนั้นจึงตัดเรื่องอัคารทูตโกหกออกไปได้พีน่น้องครับหรือแม้กระทั่งบางคนคิดว่าการเป็นที่อิความตายหรือการอัศจรรย์นเนี่ยเป็นนิยายประลัมปรานะครั บ, <ช>บหรือการเป็นเรื่องที่เสกฉันตั้นแต่งขึ้นจากตรงนี้นะครับเราสามารถพิสูจน์ได้ครับว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเพราะว่าคิดจักนั้นได้ถ่ายทอดสิ่งดังเหล่านี้มาเรื่อยๆ เ, เรื่อยๆนะครัรร<ช>บ คนที่เป็น eye witness หรือว่าเป็นพยานรู้เห็นเหตุการณ์ก็รักษาสิ่งเหล่านี้สืบทอดต่อกันมาเรื่อยๆพี่น้องครับหากเราศึกษาด้วยจิตใจที่ปราศอคตินะครับอันนี้ผมพูดกับพี่น้องที่ยังไม่เชื่อนะครับหากติดตามศึกษาด้วยจิตใจที่ปราศอคติเราจะต้องแน่ใจได้ครับว่าขึกจำกนั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเรื่องที่ที่เสกสรรปั้นแต่งขึ้นมา นะครับหรือถูกเลี้ยงดูฟุ่มฟักด้วยความหลงผิดหรือสิ่งที่เป็นความเท็จนะครับแต่ในทางก dela, ลับกันครับคริสตจักรตั้งอยู่บนเหตุการณ์เรื่องการเป็นขึ้นเหนือความตายที่เป็นจริงในประวัติศาสตร์ครับพี่น้องอาเมนีไหมครับอาเมนนะครับคริสตจักรของเราตั้งอยู่บนเหตุการณ์ที่เป็นจริงในประวัติศาสตร์ทุกยุคทุกสมัยเรื่องการเป็นขึ้นเหนือความตายนะครับแม้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่แปลกน่าสะใจนี berty, ่ยไม่น่าเชื่อ แต่ก็เกิดขึ้นจริงแล้วครับนี่คือเป็นประเด็นที่สำคัญผมอยากจะแบ่งปันในเช้าวันนี้พี่น้องครับมีนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าศาสตราจารย์โทมัสอาร์โนนะครับท่านเป็นผู้แต่งหนังสือเรื่อง History of Rome นะครับมีความยาวถึงสามเล่มด้วยกันและท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสาขาวิชาประวัติศาสตร์ของมหาลัยออกซฟอร์ดนะครับท่านเขียนนี้นะครับ ท่านเขียนว่าข้าพเจ้าพบว่าไม่มีข้อเท็จจริงใดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่มีพยานหลักฐานทุกชนิดครบถ้วนสามารถช่วยให้ผู้สืบเสาะความจริงเข้าใจดีเท่ากับหลักฐานอันยิ่งใหญ่ซึ่งพระเจ้าประทานแก่เราเพื่อบอกว่าพระเยซูสิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพี่น้องครับนักวิชาการหลายๆสาขานะครับมีความพยายาม นะครับทั้งบวกและลบบวกนัก่นคือหมายความว่าส่งเสริมครับลบก็คือทําลายทําลายอะไรครับทําลายหลักความเชื่อเรื่องการเป็นขึ้นเหนือความตายของพระเยซูเพราะคนเหล่านี้นะครับมีความคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาสามารถเขย่านะครับหลักการเรื่องการเป็นขึ้นเหนือความตายของพระเยซูคิดให้มันเป็นเรื่องเท็จเขาสามารถที่จะทำลายคริสเตียนได้นั่นคือความภาคภูมิใจนะครับเป็นความมโนโของเขาแต่เมื่อเขายิ่งค้นพบลึกลงไปเรื่อยๆ นะครับหลายหลาคนก็กลับใจมาเชื่อพระเจ้าครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์มีหลักฐานพยานทุกชนิดครบถ้วนครับเพียงพอที่คนที่ไม่มีใจอคติจะยอมรับได้อย่างแน่นอนจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องครับว่าต่อไปนี้นะครับหากเรามีคําถามนะครับแม้ว่าจะเป็นผู้เชื่อใหม่ก็ดีนะครับพี่น้องที่ยังไม่เชื่อก็ดีนะครับก็ สามารถตอบเขาได้พอสมควรไหมครับขอพระเจ้าช่วยพี่น้องนะครับแะช่วยข้าพเจ้าด้วยในการที่จะถ่ายทอดในการสื่อสารพระสิริคุณให้เป็นที่ถูกต้องนะครับพอใจของผู้ที่ใส่ถามผู้ที่สนใจอาเมน